นี่ก็กำลังบวิสวทธิข้อสุขสองพิสุกรูปใดรู้อยู่พึงบริพ้องใช้สอยน้ําที่มีตัวสัตว์ต้องอาบัดปานจิตตินะครับเม้อคล้ายกับข้อที่ว่ารู้อยู่นะ้ามีตัวสัตว์เอาไปรดหญ้าหรือดินใช่ไหมเอนไปรดหญ้าหรือดินนะครับในที่เอามาบริพ้องใช้สอยกับร่างกายตัวเดงนะเอามาดื่มก็ดีนะครับหรือมาอาบน้าก็ดี รู้เท่ารู้ว่าไอ้น้ำเนี่ยมีตัวสแสบๆอยู่นะลูกน้ำาูกยุงแล้วแต่นะครับถ้าเรามาใช้สอนแล้วก็สัตว์จะตายรู้เท่ารู้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาใช้สอยก็ต้องบัดปานสติสุขฐานนี้ไม่มีจินตนาจะฆ่าให้ตาย น, นะท่านได้รู้ว่ามันจะตายเพราะการทำอย่างนี้แต่ไม่มีจินตนาจะฆ่าประสงค์จะมาใช้สอยอย่างเดียวบัดปานสติถ้ามีจิตนาจะฆ่าใช่ไหมมันก็จะเป็นานาบัดในข้อหนึ่ง น, นะครับ แต่มีจนามันใช้สอนก็เลยเป็นอวบข้อสอบต้องรู้ทั้งรู้นะถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยก็ไม่เป็นอวบ น, นะครับอันนี้มาดูต้นบัญญัติต้นบัญญัตินะครับมาจากพระเจ้าพันทีนะครับโดยสมัยนั้นพระบุญภาค พ, พ, พระเจ้าประทําอยู่หน้าพระเชตวัน อาล า, ข อ, อ า, า, ข, าของอนาถบิดการข้ามบดีเขยพระนครสาวัตถีครั้งนั้นก็จ้าปักขีรู้อยู่บริพกองน้ํามีตัวสัตว์บรรด า, าพิสุทธิ์ที่มีผู้มักน้อยสันโดษต่างก็แกลง้งติดเตรียมบทนาว่าไฉนพระเจ้าปักขีรู้อยู่จึงได้บริพกองน้ํามีตัวสั่นเล่าแล้วกล่าวเรื่องนั้นแดกเปนมะพ่าเจ้าพระองค์ทรงสอบถามทรงติดเตรียมพระจ้าปักขีและก็มยายาสถามบทนี้ขึ้นมาดีก่อนนะ มเมื่อกี้ในเรื่องข้าศัตรูมีคำทธิบายนะ ไ, ไหายัปเกี่ยวกข้าสัตรเมื่อกี้นะครับถ้าบอกว่าชั้นที่สุดที่สุดจะทองคาวามสะอาดเตียงและต่างมีความสําคัญแม้ในไข่เรือดว่าเป็นสัรเล็บมีไข่เรือดเคยเห็นไหมครับไข่เลือดครับไข่เรือดตัวเลือดนรอเรียนนะของของเรานี้ไม่มีแล้วก็มลสุนพันแบปลงนะ เขามาสูงั้งแต่สมัยเนี่ยไม่รู้นะครับเขาบอกวาวันที่ในคุ้มมีอยู่นะแต่ในประเทศพม่าเนี่ยยังมีนะครับประเทศที่ยังไม่เจริญมากนะบันทีอยู่ในว้านนะครับถ้าไปนอนเนี่นะไอตัวเลือดเนี่ยมันจะมาดูดกั้เลือดกินนะครับและตัวมันก็จะป่องใช่ไหมนะครับหน้าตัวเลือดนะครับถ้าไปนอนเพิ่ไปอยู่ประเทศพมา่าบางทีโดนตัวเลือดกั้นนะครับพวกเนยพวกอะไรเนีน่ยนะบางทีมันยังยังไม่นั่นนะครับ ในยมยีมันเจริญ ม, มากนะเนี่ยแล้วมันก็มีไข่แล้วนะ บ, บี้ไข่เลือดนั้นให้แตกออกเพราะขาดความกรุณาเป็นตาจิตติเหือนกันนะเ mm hmm. พราะมันเป็นค่าสัตว์นะแม้แต่เป็นไข่เป็นอะไรนี้ไม่ได้นะครับเพราะเหตุ น, นั้นพิสูจน์ต้อ ง, ตงความกรุณาไว้ในฐานะเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ประมาททำบ้าเถอดนะครับเราก็ไม่ต้องไปบี้มันหรอกเราก็ไปปักที่อื่นใช่ไหมที่ไม่คลายมันตาย ที่นี้ก็กลับมาที่นี่นะครับในการขานต้นหน้าร้อยี่สิบปถึงครึ่งเมียกำแพงเนี่ยน่าหครึ่งเไหมมันเลยน่าหลังครึ่นะครับวันนี้ผมจะจบนะหรือตั้งเดียวนะครับสองอธิบายกับปานอากาสิ่ขาบนในสิ่ขาบทที่สองคำว่านั้นมีตัวสั์นะครับ สปาร์นการ์คือน้ําที่มีตัวสัตว์ซึ้นจะตายด้วยการบริโภคก็เมื่อพ่สู่บริโภคน้ําเช่นนั้นทั้งที่รู้อยู่เป็นอบัติปตนสิทุกครั้งที่บริโภคนั่นเนี่ยท่านพูดถึงว่าถ้าว่าพิสูจเอาน้าเอาบาไปต่างน้ำมาเต็มใช่ไมครับแล้วก็ดื่มทีเดียวเนี่หมดมาเลยนะครับมีลูกน้ำํำอะไรนูก็ะะมไม่สนนั่นดื่มไปหมดเลย อันนี้ก็ตเอดไปตีตัวเดียวพ่อหรือทีเดียวแต่ถ้าดื้อไม่ขาดตอนหลายครลดเก็ไปหลายตัวนะครับหรือว่านะครับเอาน้ำที่มีตัวสัรนะนะนะครับไปแกว่งล้างบาดที่มีอามิดใช่ไหมบาดเราชนะาหารเสร็จมีเสศษอาหารเศษอะไรเหลือใช่ไหมครับล้วก็เอาไปล้างนะสันนั่นก็ตายโดนคลิกมาอะไรมั่งตายใช่ไหมครับหรือทําบาเข้าก็มาร้อนให้เย็นนครับ เราก็อากเขาตุ่ม้อนๆไปแช่ในน้าอย่างนี้นะครับจะไม่เล่นอายนะครับเอามือว่ักเรือตะ บ, บ, บูดตักน้ํา น, นั้นอ่านนะครับอันนี้ก็ดีเป็นไปทีทุกทุกประโยชน์นด้วยความพยายามเลยนะท่านต้องพูดถึงเวลาของบบความสะอาดบกคราดีของเราไม่มีนะทำความสะอาดอ่านน้ำลูบดึง น, นู่นน้ําเนี่ยแล้วต้องตักออกมาใช่ไหมตักออกมาใส่ถังแล้วก็มาเลี้ยงไว้ อย่างที่เคยไล้ฟังนั่นนะฮะเอามันเลี้ยงมันแล้วก็ปิดาแล้วก็เปิดฟ้าให้มาช่วกวันเพื่อผมโตมัได้บินเงนียนะอันต้เป็น <c oughs> ปเี้ย ง, ว ง, งไวข้างนกนอุงที่งี้นะครับนี่จะไปเททิ้ง่เงียไม่นานนะได้เหรออาที่มันจะไม่ตายนไม่โดนแดดร้อนต่าง ค่ะไปปล่อยใช่ไหมครับครับที่ไหนครับอ๋อมันโดนยุงตากินหึือครับเ็นโดนตากินด้วยหรือครับครับครับ มมีปลาอยู่นะบางทีถ้าถ้ า, ถาที่ไหนมีปลาหางลูกยุมอยู่นเสร็จนะครับอารมณ์น้ำเคยปล่อยที่ไม่เสร็จหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ปล่อยลงในกระถางนี่แหละนะครับเส็จปลาลยครับแต่ถ้าปลาอย่างทีผมไม่กินนะเพราะลูกน้ํำนี่เลยปลาผมไม่กินโอเคคณะประเทศอาบัตครับสิน้นท้ามขนี้พุ่งมาภาคเจ้าทรงประลบพิสุชกุลคีในเมืองสามัคคี บัญญัติไว้แล้วก็เห็นคือการบริพ่อนะที่มีตัวสัตว์ทั้งที่รู้อยูนะ่รู้ทั้งรู้นะรู้เองก็ดีถูกกดอิงบอกก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องอ่านบัตเลยถ้าสงสัยในชะ่ไหก็ต้องบบถูกกด น, นะครับถ้าบอกว่า <c oughs> ไม่รู้ไม่ตองอําบัตถ้านั้นมันมีตัวสัตว์เลยลเราเข้าใจหรือว่ามีตัวสัตว์หรือว่าสงสัยแล้วบริโพ่อก็ยังต้องทุกกด นักสิกขาบทนี้ใจ้ความที่เหลือนะครับเพิ่งทราบทางในที่กล่าวมาแล้วในสันสินเจนาไใช่สินเจนาสิกขาบทนะครับสิกขาบทข้อว่าด้วยรั่วนะอยู่ตัวสับเอาไปลดยาีกดีสินสินเจนาอ่านสินเจนาใช่ไหมสินเจนาเสียงก็ได้นะครับจบการอธิบายสัปปะการสิกขาบทอนาบัตท่านไม่ได้บอกนะอนาบัตท่บอกว่า พิสูจไม่รู้ว่าน้ํามีตัวสัตว์ไม่รู้นะครับท่าที่มันมีนะอันนี้ก็ไม่เป็นแล้วก็สองพิสูจรู้ว่าน้ําไม่มีตัวสัตว์นะครับคือรู้ว่าสัตว์จะไม่ตายเพราะการบริโภคดังนี้บริโภคได้พิสูจอุกิเคราะหิตพิสูจน์อิกรรมมีการไม่ต้องอางบัตแรงเนี่ยขณะที่บายานะสมุทฐานนะครั บ, บข้อนี้นะสมุทฐานสามเลยมันต้องมีจิตใช่ไหม ก า, า, าจิตมาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาเราต้องปกระทําสัญญาที่โมกนี่เขาไม่รู้ก็ไม่พ้นเนี่ยพ้นได้เขาไม่รู้นนรถ้าเราไม่รู้เราก็พอนอ้นอาบัติได้นะครับสจิตกาเขารู้ัขารู้เท่านั้นน่าจะมีจิต น, นะครับปันติวัชชาไม่ได้เป็นอกุศวรีอ่างเดียวเนี่ยถ้าเจตที่บางนะถึงรู้ทั้งรู้แต่ใจก็ไม่ได้เป็นอนุสวรีอย่างเดียว ใครกล่อมก็ได้หรือจีกล่อมก็ได้ใช้ไหครับมีจิตสามเวทนาสามแแต่สิ่งทครานี้บุรีพงนซ่าว่าเป็นปัญติวัชช์นะครับไม่ได้เป็นอกุศนอย่างเดียวเพราะวิสูแม้รู้ว่าน้ำมีตัวสั่งและบริโภคด้วยสําคัญว่าเป็นน้ำก็ไม่ได้เป็นอกุศนอย่างเดียวดูดในการที่แม้รู้ว่าตะกั่วแดงและสั่งเล็กจะตกลงไปแล้ว ตางกับที่ด้วยจิต บ, บริสุทธิ์ฉะนั้นดังนี้แหลงใช่ไหมเวลาจุดเทียนจุดอะไรใช่ไหมครับเรารู้ว่ามวรแรงจะมาตอมแล้วก็ตกลงมาตายแต่เจริญนาเราไม่ได้มีอย่นะ้นเจรินามาทําอย่างอื่นให้แสงสว่างหรือบูชาใช่ไหมครัเพราะงั้นก็ไม่ได้เป็น บ, บุตรเดียว น, นี่นะเนี่ยก็โอ้ยนะ